ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่35จุลกรรมมวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนาวรามทรงตอบคำถามของสุภาพมานกบุตรแห่งโตเอยปรามเกี่ยวกับผลร้ายผลดีต่างๆ7เจ็ดคู่ว่าเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำของสัตว์คือหนึ่ง มีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์มีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์สองมีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์สามมีผิวพันธุ์ซามเพราะขี้โกรธมีผิวพันธุ์ดีเพราะไม่ขี้โกรธสี่มีสัตดาน้อยเพราะมากฤติยา มีศักด์ามากเพราะไม่มักริษยาห้ามีโภคกรัพับน้อยเพราะไม่ให้ทานมีภพกรัพับมากเพราะให้ทานหกเกิดในตระกูลต่ำเพราะกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมเกิดในตระกูลสูงเพราะไม่กระด้างถือตัวแต่รู้จักอ่อนน้อมเจ็ดมีปัญญาสาม เพราะไม่เข้าไปหาสมณพราหมณ์ไต่าถามเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นมีปัญญาดีเพราะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ไต่าถามเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นสุภาพมานพบุตรโตเทยพราหมณ์กราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไกรเป็นสารณะตลอดชีวิต พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่36มหากรรมวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาเวรุวนารามใกล้กรุงราชครืตรัสแสดงธรรมแก่พระอานนท์ภายหลังที่ตรัสปารพเรื่องพระสมิทธิตอบคำถามของปริพาชกโปตลิบุตรแง่เดียว แทนที่จะตอบแบ่งตามเหตุผลเมื่อพระอา น, นุ์กราบทูลขอร้องจึงทรงแสดงเรื่องการจำแนกกรรมเรื่องใหญ่โดยแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทคือ 1. ทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 2. ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ส ทำดีแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สี่ 4. ทำดีแล้วไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกซึ่งทําให้สมณะพราหมบางพวกผู้ไม่เห็นตลอดสายเข้าใจผิดทรงรับรองเฉพาะคำกล่าวที่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ตรัสรับรองนอกจากนั้นทรงแสดงเหตุผล คือกรรมดีกรรมชั่วที่ทำก่อนทำหลังและการมีความเห็นถูกเห็นผิดก่อนตายว่าอาจแทรกส่งผลให้คนเข้าใจผิดได้แต่ความจริงกรรมทุกอย่างจะส่งผลทั้งสิ้นเพียงแต่ให้เข้าใจให้ตลอดสายและไม่สับเหตุผล